ไม่ใช่ว่าพระบวชเข้ามาแล้วหน้าที่ของญาติโยมคืออะไรอ่ไม่ใช่ว่าพระต้องทำอย่างนั้นพระต้องทำอย่างนี้พระเป็นอย่างน้นพระเป็นอย่างนี้เฮ้เดี๋ยวนี้พระกำลังกิตติศัพท์กำลังโด่งดังะแต่ตามไม่จริงมันก็มีส่วนมีส่วนผิดพลาดเพราะว่าพระก็เป็นไม่ใช่อาพระเอาระหันมาบวช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 ขว่างท่อนไม้ก้อนหินใส่ผู้หญิงที่เขามัดไว้นะ่ะที่ว่าทำความชั่วที่นอกใจสามีไม่มีใครขว้างเพราะต่างคนก็ต่างมองตัวเองทั้งฝ่ายชายก็เออเราก็นอกลูนอกทางเหมือนกันบางครั้งฮะต่างฝ่ายผู้หญิงก็จะไม่ไม่ใช่ว่าจะคิดดีอย่างเดียวคิดออกนอกลกูนอกทางก็มีถึงจะไม่ได้ทำก็คิดจิตใจของเรามันยังคิดออกไปอยู่เพราะนั้นใจของเรามัน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 ไม่ว่าจะพระไลยศรัทธาญาติโจงก็เหมือนกันครูโรงเรียนก็เหมือนกันอาจารย์อันไหนเขาตัมตำรวจทหารพิพากษาอายการก็เหมือนกันนะเราก็เคยได้ยินพอครูสอนจริยธรรมในโรงเรียนนักเรียนทั้งหลายอย่าไปฆ่าสัตว์นะฆ่าคนอื่นเขาเขาฆ่าเราไปยังไงอาทินนา่านขโมยคนอื่นเขาเขามาขโมยเราไปยังไง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 ในพรรษาเนี้เราควรจะมาฝึกเรื่องนามธรรมฝึกโซเฟอร์ให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักเคดพูดง่ายๆอยอย่าไปซื่อบือ้อไปเมาแต่รถอยู่กับรถตัวเองอยู่ตลอดเวลาเอ่มีทหารํามันมาให้รถอยู่ตลอดเวลาเอแล้วก็หาอะไรมาให้รถยางรถแตกก็หาอะไรมาใสา่รถเอมีแต่มั่วอยู่กับรถไม่ได้คิดว่า